สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่สี่สิอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเคยใช่ไหมวิใช่อนุโลมะโอกาต47อนุสภาวะธรรมที่เป็ น, น, ททปนกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนในภูมินั้นก็เคยเคยใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนในภูมิใดเคยเกิด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 แต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิเคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิด48อนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกริศในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกริศในภูมิใดเคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุสลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอาัญิสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิดในจัตุโวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดอนุโลมะปุขโรกาต49อนุ สภาวะธรรมที่เป sí. well right. ็นก e ุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทราวาสภูมิเป็นไปอยู่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 วิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดท้าวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตะภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิด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 และปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดปัจจนีกะบุคคลห้าสิบเอ็ดอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดไม่เคยเกิด สภาวะธรรมที hmm. ่เ I ป mean ็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัภยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีห้าสิบสองอนุ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปัจจนกาโอกาดห้าสิบสาอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤะตในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีห้าสิบสอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมิใดไม่เคยเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปจเนกปุคโลกาห้าสิบห้าอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธา ว, วาสภูมิเป็นไปอยู่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 แต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตก็ไม่เคยเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ห้าสิบหกอนุ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดายไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอ ok 對對นัพยกฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเมือ่อติดดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันนิสัตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิก็ไม่เคยเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกายหรของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็จกเกิดห้าสิบแอนุ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤยของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอ nah ัพยกฤยของบุคคลใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอร <lungs. S 1> <ม>หัตมรักษและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้น สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นอพยกฤิตของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดอนุโลมโอกาตห้าสิบเอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจกเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้น สภาวะธรรมที่เป็นอพยากฤิจธกเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จกเกิดในจัตุโวรกรภูมิและบัรจโวกรภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอพยากฤิจธกเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็จะเกิดหกสิสอ น, ส น, ส น, น, น, นุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวินนในอาันยสัตตภูมินนกกในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตรจะเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จกเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตรจะเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดอนุโลมปุพพโลกา หกออนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในจัตโตโวการภูมิปัญจโวการภูมิบุคคลจกได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จกเกิด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 สภาวะธรรมที่เป็นอัพยก ฤ, ฤิ <Age> ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยก ฤ, ฤิของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักอรหรันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอ า, าศันยสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาถูในจัตุตโวคารูมิและปัญจโวการพูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จะเกิด62 AM. อนุสภาวธรรม ท, ที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิดายจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤดของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ ปติสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอคุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอคุศลไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวการภูมิและบัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอคุศนก็จักเกิดปัจจเนกบุคคล63อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใ <goog> ช <ling> ่จากเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเปลี่ยนด้วยอรหัตมรรคและอรหัตบุคคล สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จักเกิดอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิ ด, ดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอรหันตมรรคและอรหันตบุคคลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤรก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤรของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่หกิบอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยองรหัตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นอภุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยปัจฉิมจิตสภาวะธรรมที่เป็นอกุศณของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิด และสภาวธรรมที่เป็นอภยากรก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากรของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปัจจนกรโอกาสหกสิบห้าอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิจกเกิดปติสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหม วิไม่มี66อนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจักเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดมีไหมวิไม่มีปั จ, จเนกาปุคโลกาดหกอนุ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 สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรัคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จักเกิดอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด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 และสภาวธรรมที่เป็นอพยากลิตก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอพยากลิตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่หกสิบแปดอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอพยากลิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ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 และสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤึ ก, ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤึกของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นร่วงไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่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 ในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดอนุ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤดของบุคคลนั้นก็เคยเกิด <Yeah. S 1> ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากิดของบุคคลใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังทักขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัต และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภยากลิ่ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที an, ่เป็นกุศลไม่ใช่กำล <canned> ังเกิดในอุปาทัคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอภยากลิของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดเจ็ดสอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังค์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุปอยู่ในอาศัในใสัตตภูมิ สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอคุศลสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาต71อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปติสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพงันงคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด7จสอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขั้นขณะแห่งจิต ข, ของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุจจากอากุศลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยาหรืของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอภยยาหรืของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุสนก็กำลังเกิดปัจเจเนีกะบุคคลเจบสอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากรของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอัภยเกฤีของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีเจสิบหอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยเกฤีของบุคคลใดไม่เคยเกิด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 สภาวะธรรมที่เป็นอพยากฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทภะขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิ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 สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิในพังขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทภณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอภุษลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศณของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิ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 จุปันนานาคตะวาระอนุโลมบุคคลเจ็สิบเกอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัณะแห่งอรหัตมักบุคคลจักได้อรหัตมักในลําดับแห่งจิตใจในอุปาทัณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้ในอุปาทัคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจกเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัต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 ในอุปาทคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤีของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด80อนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤของบุคคลใดจกเกิด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 สภาวะธรรมที่เป็นอัภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาตปสิบเอ็ดอณุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมอนุโลมะปุขะโลกาส8บสองอณุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรรมบุคคลจักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทขณะแห่งคิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักเกิดในอุปาทัคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนอกนี้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 แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใชกกำลังเกิดในอุปาทคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภยกฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 ในอุปาทขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิกของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังเกิด8ปสิอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิกของบุคคลใดในภูมดดิใดจกเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอากุศลบุคคลผู้อุปาจอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวะธรรม ท, ที่เป็นอัพยกายหรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดแต่สภาวะธรรม ท, ที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวะธรรม ท, ที่เป็นอกุศล สภาวธรรมที่เป็นอภยญาเปตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดปัจเนกะบุคคล84อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังข้าณะแห่งจิต ข, ของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศล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 สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลําดับแห่งจิตใจในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งอรหัตมรักอรหันตบุคคล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 ในอุปาทัขณะแห่งจิต it, ที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันย ส, สัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลินเรื่อปัจฉิมจิตสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤต ก, ก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิ สภาวธรรมที the the of of the ่เ <facult> ป <ies uy assis> ็นอพยกฤิของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ 85. บหอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศล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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ ป, ปเจเนกาโอกาสิบหอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมปจเนกาปุขโอกาส87อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด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 ในอุปาทัขณะแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งอรหัตธรรมอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใจในพังค์ขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอ ส, สัญญัตถภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด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 แต่สภาวธรรมที่เป็นอัยยากฤิตไม่ใช่จักเม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัยยากฤิก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัยยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปสบอนุ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 บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอภายากฤต ก, ก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคค ล, ลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่